หรือลำพองนิริตระหนักในคุณค่าอันจำกัดของฤิมองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกว่าฤิและพร้อมที่จะเรียนรู้หรือรับฟังสิ่งอันประเสริฐนั้นซึ่งจะทรงชี้แจงสั่งสอนแก่เขาด้วยอนุสาสนีปาฏิหารต่อไปตรงกับหลักที่กล่าวข้างต้นว่าใช้อิทธิปาฏิหารประกอบอนุสาสนีปาฏิหารแต่เป็นการใช้ประกอบในขอบเขตจำกัดอย่างยิ่ง คือเฉพาะในกรณีที่ผู้รับคำสอนฝักใยเนริหรือเมวริศแสดงทิฐิมาณะต่อพระองค์เท่านั้นเช่นเรื่องการทรมานพระพรหมเป็นต้นส่วนพระมหาสาวกทั้งหลายก็มีเรื่องราวเล่ามาบ้างว่าใช่ฤิ์ประกอบอนุสาสนีแก่ผู้ฝกักใยเนฤิเช่นเรื่องที่พระสารีบุตรสอนมูภิกษุสิทธิพระเทวทัตด้วยอเทศนาปาฏิหาร ควบกับอนุสาสนีปาฏิหารพระมหาโมคลาสอนด้วยอิทิปาฏิหารควบกับอนุสาสนีปาฏิหารส่วนการทำอิทิปาฏิหารเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือมีเรื่องเล่ามาบ้างน้อยเล็กเกินแต่กรณีที่ขอร้องให้ช่วยเหลือด้วยอิทิปาฏิหารไม่พบในพระไตรปิฎกเลยแม้แต่แห่งเดียวจะมีผู้ขอร้องพระบางรูปให้แสดงอิทิปาฏิหารบ้าง ก็เพียงเพราะอยากดูเท่านั้นและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านดูพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้แล้วดังได้กล่าวข้างต้นสำหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในคำพีดูบันทึกพิเศษท้ายบทในที่นี้ขอย้ำข้อคิดตามหลักพระพุทธศาสนาววาอีกครั้งหนึ่งว่าในชีวิตที่เป็นจริงในระยะยาว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 ไอ้สำเร็จโดยชอบรมความสามารถที่ทำได้สาเร็จอย่างนี้ท่านก็จัดเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งและเป็นฤทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนามีทั้งอมิสรฤทธิ์และธรรมฤทธิ์โดยถือธรรมฤทธิ์เป็นหลักนำอามิสรฤทธิ์ความสาเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุวัตถุรุ่งเรืองหรือวัตถุเป็นแรงบันดาล และธรรมริศความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองแห่งธรรมธรรมะรุ่งเรืองหรือธรรมะเป็นแรงบันดาลมีมาในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบอันหนึ่งความมีรูปโฉมงามผิวพรรณผุดพองความมีอายุยืนความมีสุขภาพดีความมีสเสน่ห์ผู้คนชอบชมอยู่ใกล้ก็เรียกว่าเป็นริศเช่นกันดูได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบ